หรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นพึงเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของพระเทวทัตนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงฆ์ทำประกาศนียกรรมในกรุงราชครืแก่พระเทวทัตโดยประกาศว่าเมื่อก่อน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 สิ่งนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของพระเทวทัตท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสงฆ์ทำประกาศนิยกรรมในกรุงราชคฤึ่แก่พระเทวทัตแล้วโดยประกาศว่าเมื่อก่อนพฤติกรรมของพระเทวทัตเป็นอย่างหนึ่ง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 อย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรถ้าอย่างนั้นเธอจงทำประกาศนียกรรมในกรุงราชครึ่แก่เทวทัตเถิด พระสารีบุตรกราบทูลว่าเมื่อก่อนข้าพระพุทธเจ้ากล่าวยกย่องพระเทวทัตในกรุงราชครื้ว่าโคทิบุตรมีฤทธิ์ ม, มากโคทิบุตรมีอานุภาพมากข้าพระพุทธเจ้าจะทําประกาศนียกรรมในกรุงราชคฤื้แก่พระเทวทัตอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สารีบุตรเธอกล่าวยกย่องเทวทัตตามความเป็นจริงไม่ใช่หรือว่าโคธิบุตรมีฤทธิ์มากโคธิบุตรมีอานุภาพมากท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตร เธอจงทำประกาศนียกรรมในกรุงราชครึ่แก่เทวทัตตามความเป็นจริงอย่างนั้นเหมือนกันท่านพระสารีบุตรทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วต่อมาพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงแต่งตั้งสารีบุตร